3. ปัตตวัค 3. เพศัชสิกขาบุตรว่าด้วยเพศเรื่องพระเปรินทวัตชะ 618. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระปรินทวัตชะประสงค์จะทำที่เร้นจึงให้ภิกษุ ทั้งหลายทําความสะอาดเมือไมเขาในกรุงราชคฤห์สมัยนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตรัฐได้เสด็จเข้าไปหาท่านพระปิลินทวัชชะถึงที่พักครั้นถึงแล้วได้ทรงอภิวาทแล้วประทับนั่งหน้าที่สมควรพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตรัฐผู้ประทับนั่งหน้าที่สมควรแล้วได้ตรัสถามท่านพระปิลินทวัชชะว่าพระคุณเจ้าให้ภิกษุทั้งหลายทําอะไร ขอถวายพระพรอัตมภาพประสงค์จะทําที่เร้นจึงให้ภิกษุทั้งหลายทําความสะอาดเงื้อมเขาพระคุณเจ้าต้องการคนวัดบ้างไหมขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตให้มีคนวัดถ้าเช่นนั้นพระคุณเจ้าพึงทูลถามพระผู้มีพระภาคแล้วบอกโยมด้วยท่านพระปิรินทวัชชะทูลสนองพระดํารัสว่าขอถวายพระพร ธรรมภาพจะทำอย่างนั้นสมัยนั้นท่านพระปิลินทวัชชะได้ชี้แจงให้พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคุรัตเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อานหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นหร่าเรืองด้วยธรรมีกถาจากนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคุรัตซึ่งท่านพระปิลินทวัชชะได้ชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อานหารแกล้วกล้า ปลอบชโลมใจให้สดชื่นราเรองด้วยธรรมีกถาแล้วได้เสด็จลูกจากราชอาด์ทรงอภิวาทพระเถระทำประทักศิน แ, แล้วเสด็จกลับไป